ข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภากระหันตาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้เป็นตนไปเป็นโอกาสอันดีชีวิตของเรายัางมีลมหายใจอยู่จะได้พากันนั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมาฐาน การนั่งสมาธินี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของพุทธสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาการนั่งสมาธิภาวนาให้ภาการ น, นั่งขับสมาธิขับสมาธิเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย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 ไม่มีเวลาใดที่จิตใจของพระองค์ไม่เป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงวันหนึ่งวันเลยงคอจิตใจของพระองค์เพียรละกิเลสราคะโทสะโมหะจนหมดสิน้นหมดสิ้นสงสัยหมดสิ้นทุกอย่างทุกประการไม่มีสิ่งใดที่จะ ให้กิตใจของพระองค์เป็นทุกข์เป็นร้อนกลับก่อปลอกลวงอีกพระองค์มีสติเต็มที่เรียกว่าเป็นมหาสติมหาสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าพระพุท ธ, ธจ้าเมื่อตัดซาโลแล้วจะแข็งกระด้างอยู่เหมือนพระพุทธโลกที่เราเห็นหนี่ไม่ใช่ เมื่อพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ตราบใดความเคลื่อนไหวไปมาทั้งกายได้แก่ทิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทางวาจาเรียกวัดตรัสพระธรรมเทศนาไม่ว่าจะมีเรื่องร้ายเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็ตรัสพระธรรมเทศนาเรียกวัดตรัพเป็นธรรมสอนเป็นธรรม ไม่ได้เอ็นเอียงไปเข้ากับคนใดคนหนึ่งความเป็นยุติธรรมมีโยในองค์พระพุทธเจ้ากายวาจาจิตเดียวเป็นมีความยุติธรรมอยู่ในตัวสาริราร่างกายของเธอองค์รอบข้างละวาละวาก็มีรัศมีหกประการสีแสงหกอย่างรอบไป นั่นก็เป็นคำสอนอันหนึ่งสอนมนุษย์เมื่อคนใดได้เกิดในสมัยนั้นได้เห็นก็ย่อมเกิดความปีติดยินดีว่าเป็นของอัศจฉรย์เป็นความอัจฉรย์ไม่มีมนุษย์ที่ไหนจะเป็นไปได้อย่างนั้นด้วยอำนาจพุทธภูมิพุทธบารมี หากเป็นไปได้ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยหรือวิสัยที่คนเราจะไปติดตามรู้ได้ก็ได้แต่สักการะบูชากร า, าบไหว้นอบน้อมถึงท่านอยู่เสมอที่พระท่านเทศหรือเราจะทำบุญสนทานอันใดก็มาจะตั้งนาโมนาโมก็คือว่าความนอมนึ ก, กลำลึกถึงพระพุท ธ, ธเจ้า ผู้ละกิเลสพร้อมทางวาสนาผู้จะไม่มาเกิดแก่เจ็ดตายในโลกอันนี้อีกธาตปัจจุบันของพระองค์จึงเป็นชาตสุดท้ายชีวิตแตกดับก็เข้าสู่นิบผ่านอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับร้อนกับเย็น ก, กับผ้ากับฝนกับดินน้ำไฟลมกับคนกับสัตว์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 เมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็หลงไปไหลไปวุ่นไปวายไปตามกระแสของอารมณ์กิเลสคือว่ายังละกิเลสยังไม่ได้เต็มที่กิเลสอันนี้ละมันติด บ, บังนิพพานไว้ไม่รู้ถ้าผู้ใดมาปฏิบัติบูชาภาวนาหรือว่าบำเพ็ญบารมีตามสเสด็จสัพพิติ้า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 พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเลิกละจนหมดหมดสิ้นหมดสิ้นก็หมดใสสะอาดนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าเมื่อละความอยากความดิ้นรนทั้งหลายออกไปแล้วใจก็ป่องใสสะอาดยิเลศราคะโทสะโมหะไม่มีในที่นั้นก็จึงให้ชื่อว่านิพพาน นิพพานนางปรามังสุก ข, ขังนิพพานเป็นสุขไม่มีอะไรว่าก็ว่านิพพานแต่ว่านิพพานท่านไม่ว่าสมมุติภาษาของโลกขอบัญญัติของโลกของครรว่าวานานันนิพพานนิพพานจริงๆไม่ได้ไปนึกไปน้อมว่านิพพานนางปรามังสุก ข, ขังก็เป็นสุขเรื่อยไปไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวไม่ได้ว่าอะไรแหละ เมื่อไปถึงหมดกีเลสแล้วเป็นก็อันว่าหมดทุกอย่างความอยากได้อยากดีความอยากเป็นอยากมีอะไรทุกอย่างนับไม่ถ้วนก็เลยไปจบอยู่ที่สงบรง่งอัิเห็นแจ้งในนิพพานความสงสัยมาตั้งแต่อเนกชาตก็หมดไปสิ้นไป ความอยากความดิน้นรนใดๆที่มีอยู่ในใจของเราเวลานี้แหละมันก็หมดไปสิ้นไปมันหมดไปสิ้นไปไม่มีอีกแล้วนิพพานังปรามังทุกขังนิพพานเป็นทุกนิพพานังปรมังศูนย์ยังนิพพานเป็นศูนย์ศูนย์จากกิเลสลาคะโทสะโมหะคือว่าเลิกละออกไปให้หมดสิน้น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 ท้งภายนอกทางภายในยจะได้มารู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองเคอในโลกนี้อะไรอะไรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมมีความเปลี่ยนแปลงให้ปรากฏการอยู่จึงให้เชื่อว่าโลกนี้เป็นทุกข์ จงภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาตาใจของตัวเองมันสุขที่ไหนมนุษย์ก็ว่ามนุษย์เกง่งเล้นมันก็ยังมากัดหัวเราได้อยู่เก่งทําไมจึงไม่บอกให้เล่นยงไม่ต้องมากัดนั่นแหละโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่างนี้หละ ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์ฝนไม่ตกก็เป็นทุกข์ฝนตกมาก็เกลียดเป็นทุกข์อะไรอะไรมันทุกข์ใจนะ่ะเพราะใจยึดถือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตยึดถือถ้าจิตไปยึดถือละไม่ว่าอะไรละเป็นทุกข์ท้งนั้นถ้าจิตปล่อยวางจิตไม่ยึดถือทุกข์ท้งหลายแหล่ก็ดับไป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 แล้วก็ไม่หัวใจไม่ตาหูจมูกเลียนของบุคคลผู้อื่นทําบุคคลผู้อื่นให้ได้ดร้อนทางชนบทภาวนาท่านจึงให้นลกให้เจริญไม่ว่าจะคิดถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราของเขาในโลกอย่างไรก็ตาม ให้เห็นว่าสภาวะธาตุสภาวะธรรมของโลกนี่มันเป็นทุกข์เป็นล้อมอย่างนี้เพราะใจยึดถือคนเราถ้ายึดถือสิ่งใดเป็นทุกข์ในใจเป็นทุกข์เต็มโลกความไม่ยึดถือเป็นสุขในโลกเมื่อไม่ยึดถือปล่อยวางเลิกละได้เด็ดขาดเป็นสุขในโลกเป็นสุขในใจเป็นสุขภายใน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 ของวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์สมมติขึ้นมาใช้สอยมันก็เป็นสมบัติของแผ่นดินผลที่สุดมันก็ลงโชวแผ่นดินทางร่างกายตัวตนของเราที่มันนั่งภาวนาอยู่เหล๋ยวนี่ขนาดนี้แหละอีกไม่นานมันก็ทับถมแผ่นดินตายแล้วมันจะเอาไปไว้ที่ไหน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 พวกสัตว์สิ่งเดลสารสัตว์นรกก็เรียกว่าทุกเป็นที่มนุษย์คนเราก็มีทุกเป็นที่ในจิตในใจแม่ภายนอกจะไม่ทุกเหมือนสัตว์สิ่งเดลสารแต่ว่าในใจน่ะมันมีทุกเท่าๆกันถ้าผู้ใดมารู้จัก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 พระพุทธเจ้าท่านจึงให้กำหนดตั้งแต่ยังเป็นธาตุน้ำอยู่ธาตุไฟของแม่เขี้ยวเข้าธาตุน้ำก็ค้นเข้าเป็นก้อนเป็นหนวยแต่เป็นปันจักห้าแห่งขาสองแขนสองสี่สันหนึ่งอยู่ในท้องแม่อยู่ในกองเลือดนำเลือดนำเหลืองอยู่ในกองอุจจาละปัสสาวะ ได้มาจากของโสโครปฏิกูลกำหนดให้ได้ให้มันเข้าใจถูกต้องอย่ามาเห็นว่าโลกเป็นของสวยสดงดงามมั่นคงถาวรไม่มีเต็มไปด้วยกุปโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือสภาวะธาตุสภาวะธรรมเขาเป็นโยอย่างนี้แหละ จิตไม่รู้มาอาศัยอยู่ในรูปนามกายใจอันนี้ก็เลยมาหลงหลงต่อไปอีกดิ้นลนวุ่นวายไปตามการมาตัณห า, ะะหาภาวะตัณหาวิปวัตัณหาผลที่สุดตายแล้วก็หมดฤทธ์หมดเดชไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธ์เป็นเดชต่อไปอีก จงภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองส่วนว่าสติปัญญาของพระพุท ธ, ธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านพิเนธพิจารณาแจงแจ้งท่านเป็นโล ก, กวีทูลู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมรู้แจ้งทุกสิ่งทุกประการแต่ว่าเป็นเลสัยของผู้มีกิเลส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 โยในนิพพานังปรมังทุก ข, ขงังนิพพานเป็นสุขใจมันเป็นสุขใจไม่ไปทุกแทนไขใจอยู่ใจนน่งใจเย็นใจสบายใจไม่วุ่นวายภายนอกเดี๋ยวว่าใจหนักแน่นในธรรมปฏิบัติเป็นจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหล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 อันจิตใจนี่ลุ่มหลงอยู่มัวเมาอยู่ให้หมดไปสิ้นไปก็จะแจ้งด้วยปัญญาตาใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่ผู้อื่นจะไปเลิกไปละไปถอนให้ไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนกีบอยู่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเราตถาคตก็เก็นแต่ผู้ตัส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 สอนเทศสนาบอกล่างสั่งสอนแล้วเราทุกคนก็ให้เป็นคนหมัน่นขยันขันแข็ ง, ขงลุกขึ้นภาวานาพิจารณาทมกรรมฐานในจิตใจของตนให้ได้อย่าปล่อยให้อำนาจใดๆมาทับถมจิตใจจนกระทั่งภาวานาไม่ลงภาวนาไม่ได้ภาวานาไม่เป็นไม่ได้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 เป็นดวงปฏิชวาวลาสองทางส่องให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารมีญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนให้หมดไปสิ้นไป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 อยู่ในที่ไม่มีที่ออกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นหรือว่าเหมือนมดที่มันไปขอบด็อกวนไปมาอยู่อย่างนั้นมันก็เข้าใจว่าไปได้ไกลที่สุดแพ้ที่จริงมันก็วนๆอยู่นั่นเอง เก็บใจคนเราที่ลุ่มหลองมัวเมาอยู่ไม่ภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก็เพราะมันมาวนอยู่มาหลงอยู่ในสิ่งอันเก่าไม่มีอะไรใหม่มันก็หลงอันเก่านั่นแหละตาเห็นลูกลูบมันก็มีอยู่อย่างเก่าลูกนั้นถ้าตามความจริงมันก็เป็นลูกคอยจะเน่าจะแตกจะทําลายอยู่ ทามันแตกทำลายตายเมื่อใดล่ะไปดูเถอะผู้พังเหม็นของตลอดลเพราะจิตหลองอันนี้เองไม่ที่นิดปิจารณาด้วยปัญญาอันชอบจึงได้มายึดหน้าถือตาได้มายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลเราเป็นชาตินั่นชาตินี้ชาติอะไรก็ชาติเกิดมาทุกนั่นแหละ เกิดมาแล้วก็แก่แก่ก็เจ็บไข้เจ็บไข้ก็ตายตายแล้วก็เกิดมาเพราะความไม่รู้จงทาความรู้แจ้งในจิตใจขณะนี้เวลานี้ให้คล้อมูลบริบูรณ์ตาเห็นรูป ก, ก็ไม่หลงรูปดีก็ไม่หลงลรูปเลวทรามก็ไม่โกรธเคียดแค้นเฉียงเคราะเฉียงไม่เคราะห์ก็เจ็บใจภาวนาอยู่ในใจ เปลนเหม็นหอมมันก็มีอยู่ในโลกนี้จิตอย่าไปยินดีข้างหอมอย่าไปเกียดทางกลิ่นที่เหม็นมันก็มีอยู่เท่าเก่านี่แหละรสอาหารการกินก็มีความลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจจิตคิดว่าเป็นของอรสอร่อยแท้ที่จริงก็กินน้ำลายของตัวเองกินที่เสลกของตัวเองนั่นแหละ เมื่อโยภายนอกก็ว่าดบวด่าดีทั้เข้ามาในปากตื้นลงไปในท่อในใส้ก็เน่าพวพังเวลาทายออกมามันก็ไม่ดีไม่วีเศษอะไรนันก็เท่าเก่าอย่างเก่านั่นเองเพราะจิตนี้ไม่ภาวานาเพียนเพ่งดูให้ดีให้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบ จึงได้หลงในลิ้นในรถหลงในกายหลงในเครื่องสัมผัสของหลังกายเพราะจิตไม่ภาวานาจิตไม่กินิติการณามาหลงไหลโยแค่ปลายลิ้นมาหลงไหลโยแค่ผิวหนังไม่ภาวานาให้มันหลุดออกพ้นออกจากรูปนามกายใจตัวตนสัตวบุคคล พะพุทธเจ้าท่านภาวนาแจ้งอกแก่งใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่ขั้งคงท่านทําจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารไม่มีผู้ใดจะไปทําให้ท่านท่านท่านภาวนาของท่านทันละท่านเลิกท่านปล่อยท่านวางท่านเบื่อท่านนายท่านคลายกิเลสราคะโทสะโมหะของท่าน ด้วยญาณด้วยปัญญาพิจารณาที่ถูกต้องตามํานองของคำของพระองค์เองไม่ใช่พวกเราไปทําให้ท่านแม่ตัวเราของเราที่จะบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาวิชาวีมุตความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาก็ต้องทําเองปฏิบัติเอง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 ทำใจให้เหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วันไหวรับรองทั้งคนทั้งสัก์ทั้งวัตถุธาตทั้งหลายเต็มโลกแผ่นดินก็รับรองได้ใครจะทำอะไรให้แผ่นดินแผ่นดินก็เฉยได้ใจิตใจของผู้ภาวนาภายในใจเราทุกคนก็เหมือนกัน ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงเจ้าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนเยินที่ไหนเดินที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในใจเห็นแจ้งอยู่ในใจิตในใจวันนี้มันตัวทุกข์นี่มันก้อนทุกข์นี่มันทุกข์จริงๆนั่งเป็นทุกข์ในนัง่งการนั่งไม่เคื่อนไหวไปนับมาเดี๋ยวก็เกิดเป็นไฟมอนลกขึ้นมา ยืนเดินนั่งนอนมันก็มีแต่ทุกข์ข้างนั้นไม่ใส่ศดมันเต็มไปด้วยทุกข์เลยโทษจิตใจผู้โยภายในก็ภาวนาให้มันเห็นแจ้งอยในจิตในใจอย่ามายึดเอาถือเอาโน้นโน่นนี่นีเอาให้มันจิตใจไม่หลงไหลในโลกนี้ข้างโลกในโลกหน้าก็ไม่หลงไหล ไม่ต้องให้จิตใจมันแสวงหาพบใหม่ชาติใหม่พบใดชาติใดก็เหมือนกันกับพบนี้ชาตินี้แหละเกิดมามีตัวมีตนมีลูกมีนามมีกายมีสิบอย่างนี้จิตหลงอันนี้มันก็มาหลงอยู่อย่างนี้แหละมายึดเอาถือเอาว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูมันไปถึงไหนตายแล้วก็ทิ้งด้ยกันทุกคน ไม่มีใครจะมาหากหามเอาร่างกายสังขารอันนี้ไปได้หน้าที่ของผู้ภาวนายาได้มีความท้อถอยจงเป็นผู้เดินหน้าไม่ต้องถอยหลังเข้าคลองเดินหน้าก็คือว่าภาวนาไม่หยุดไม่หย่อนบาปใดยังไม่แจ้งแทงตลอดในธรรมะปฏิบัติเราจะไม่นิ่งนอนใจ นั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาตาดูหูฟังจมูกดมกินลิ้นลิ้นลดกายถูกต้องโพธาภาใจคิดธรรมารมใดๆก็ไม่ค่องหลงไหลเจดใจผู้รู้โยที่ไหนชำระจิตใจดวงนี้ให้ของใสสะอาดปราศจากมนทินโทษ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 ไม่ว่าจะเวลาเช้าสายบ่ายค่ำอย่างไรก็ตามจิตใจนั้นเรียว่าตั้งมั่นอยู่เสมอมีความเพียรเป็นเบื่องหน้าอยู่ในจิตในใจของตนทุกเวลาทำอะไรก็มีสติในเวลาทำพูดอะไรก็มีสติในเวลาพูดคิดอ่านอะไรก็มีสติในเวลาคิดอ่านนั้นๆ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 ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีย์สัพิติโยวิวัชชนตุสัพพโลโควินัสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอสีวาธนาสิริสนิจังวุ ธ, ธาปจายิโน จตารโรธรรมาวะทันตีอายุวันโอสุ ข, ขังขาลังตอนนี้ไปเป็นเวลาถึงเวลาใดเวลานั่งสมาธิภาวนา ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้กามนั่งขัดสมาธิมีมาตั้งแต่สมัยพระพุท ธ, ธเจ้าของเรานั่งใต้ล้ ม, มโพสีจึงได้จัตเจ้พระองค์นั่งขัดสมาธิตั้งแต่นูน้นจนถึงวันนิพพาน ระองค์ก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนเราด้วยอนิสงส์นั่งขัดสมาธิเพชรแต่คนเราสมัยนี้ถ้า น, นั่งขัดสมาเพชรก็ว่าตายแล้วไม่ไหวเคยนั่งขัดสมาดอย่างอื่นมานั่งขัดสมาเพชรไม่ได้อันนี้คือว่า ไม่สนใจในการฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราก็ไม่มีความสนใจในสิ่งที่ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าสอนพระองค์ก็ทาด้วย พระองค์สอนทศกษาวกให้ละกิเลสไม่ใช่พระองค์มาสอนก่อนพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างเราๆท่านๆนี่แหลมหมดสิ้นไปแล้วจึงได้นำมาสอนทธกบอนิสัตที่เราได้ฟังว่า เมื่อพระองค์ตัดสร่งแล้วในวันเดือนหกเทนพระจันทร์เดวงหลังจากนั้นมาก็วันเข้าพรรษาเดือนแปดเน่นพระองค์ก็สแสดงธรรมจากกับประวัตนศาสตร์เรียก ว, ว่าเปิดพระธรรม เอิดตู้พระไตริฎกสแสดงโปรดปันจวะคีลือสีทั้งห้าที่เมืองพารานาสีเมืองพารานาสีนี้อยู่ในประเทศอินเดียพระองค์สเสด็จมาโปรดปันจวะคีลือสีทั้งห้าให้ภาวนา ละกิเลสไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไปตามอำนาจกิเลสเมื่อพระองค์มาสเสด็จมาถึงที่วัดที่สำนักของพระจามพันเจวคีลูกศิษย์พระองค์เองพอเห็นพระพุทธเจ้าสเสด็จมาแต่ไกล ก็ทุบชิดกันว่าคือว่าก่อนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจะหนีออกจากพระองค์มาก็ตอนที่พระองค์พระมานกายไม่ค่อยได้สวยอาหารมากจนกระทั่งว่าร่างกายผอมโซ ถ้าผู้มาบวชในศาสนามาหลายๆปีก็จะเห็นว่าสมัยพระองค์ทำทุกขระกีริยาเห็นเส้นในร่างกายสะ่ลั่งไปหมดเหมือนกับย่าลายกว่าคนเฒ่าคนแก่แล้วพระองค์ก็เข้าใจเองว่ามันไม่ใช่หนทาง ทำอย่างนี้ปฏิบัตินี้ไม่ใช่หนทางพระองค์ก็เปลี่ยนใหม่คือว่าเสวยอาหารสันดินธมบาททุกวันทุกวันปังเจวคีลือศีทั้งห้าเห็นว่าพระองค์กลับมาสันดินธมบาทก็เลยหลบหนีว่าสีทศษาราตะกุมาน แทนที่จะอดทนต่อไปจนตัดสลุลูกก็กลับมาเป็นผู้รับมามาคมากินอาหารบริโภคอาหารฟันจจวทีฤศีั้งาก็หลบหนีจากพระพุท ธ, ธเจ้ามาโสเมืองพาลานาสี พระองค์ก็ยังมีเมตตากลุณามุติตาอุเบกขากับปัญจวัคคีพอพระองค์เสด็จมาจวนจะถึงที่สำนักปัญจวัคคีลูศีสังฆาอยู่จึงได้สุพิทกันว่าโน้นพระสมณะโคดม ทิฏถะละตะกลมานเป็นคนมากมากพวกเราอย่าไปต้อนรับท่านน ะ, อะนบอกกันเมื่อมองเห็นแต่ไกลแต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปใกล้เข้าใกล้เข้าธรรมะปาฏิหาร ก็บันดาลให้ปัญจวัคคีฤษีทั้งห้าที่ได้นักแน่กันไว้ว่าอย่าไปก้อนรับไม่ต้องไปล่างเข้าไม่ต้องไปต้อนรับและไม่ต้องไปปูอาสนะสุดแท่แต่ท่านจะนั่งเถิดแต่เมื่อมาใกล้เข้าด้วยอำนาจพุทธคุณ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นปสัสมมาสามพุทธเจ้าปัญจวัคคีทั้งห้าก็ลืมหมดที่ว่าไม่ต้องต้อนรับกับจำเป็นต้องวิ่งไปต้อนรับหาน้ำล้างเขา้าจัดแจงอะไรจนพร้อมจึงได้ขึ้นมาที่สาลาที่พัก ปัญจวัีก็ฟังธรรมพระองค์แสดงการมสุขันนิยานนุโยคัตตะกิลมัทานุโยคว่ายาไปทำใจให้แชสายไปรับอารมณ์ติเลตลาคะโทสะโมห oh ะจงทำใจให้เป็นกลางๆลาอะไรอย่างนั้น ปัญจวาตีกน้อมจิตน้อมใจเชื่อเลื่อมใสพระองค์กนแนะนำสั่งสอนจนอัญญาโกนดัญญะผู้หัวหน้าได้สำเร็จเป็นพระโสดาปติผลในทางพุทธศาสนาแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง ละกิเลสได้จริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่ทางปวงโลกสิทธิหลีกหนีไปหรือยังติตามโปรดตามสอนนำแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์สิ่งเดียและฐานทั้งมนุษย์ ข้างเทวั ด, ดาพยาอินพยาผมพระองค์ก็มีความเมตตาทั่วไปจนเผยแผ่พระศ า, าสนามาถึงพวกเราทั้งหลายในเวลานี้พระองค์ก็ดับขันเข้าสู่นรพานมาเป็นเวลานานสองพันห้าร้อยสามสิบสองปีนี่แล้วก็นับว่าเป็นเวลายาวนาน อันนั้นวันนี้ให้เราตั้งอกตั้งใจว่าพระพุทธเจ้าท่านดับขันเข้าโตนนัืนผ่านแล้วก็เป็นเรื่องของท่านตามเดนจะขันรูปร่างกายจะต้องมีทราพยาธิมลนะแต่ถ้าทำคำสอนของท่านนั้นยังคงที่อยู่ผู้ใดปฏิบัติดีในขั้นใดภูมิใด ก็ยอมได้บุญได้กุศลตามขั้นตามภูมิที่ตรงตนตั้งออกตั้งใจทางนั้นนับตั้งแต่ทำบุญให้ฌานรักษาศีลห้าศีลแรักษาศีลสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดเจริญสมถกรรมฐานวิปัฒนากรรมฐาน ถ้าตั้งอกตั้งใจประกอบกระรมจริงๆก็จะได้บรรลุมรคผลคงธรรมในทางพุทธศาสนาอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เราก็ไม่ทำอะไรไม่ภาวนาเลยจะกินๆนอนๆอนไปชั่ววันตายเท่า น, นั้นก็พอแล้วอันนี้ไม่ถูกต้อง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 อย่างพระองค์ทรงตัดสอนพระอานนท์ว่าโดก่อนอนน์ในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งผ่านต้นไปนั้นมีชั่วโมงอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอานน์ได้นึกถึงความตายวันหนึ่งมีกี่ครั้ง ท่านพระอานนท์ตพระอุปัชฌาย์ก็โูนตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระเจ้าค่าเมื่อพระอานนท์ตอบอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็สั่สวนคำไปบอกว่าดูก่อนอานนท์ วันหนึ่งตั้งยี่สิีชั่วโมงนั้นนึกถึงความตายได้ขนาดหลายพันขั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจโสดเข้าไปเมื่อใดก็นึกว่าเราจะต้องตายในเวลาลมหายใจเข้าไปนี้ เวลาลมหายใจออกมาก็ให้อานน์นึกว่าช่วงเวลาลมหายใจออกมานี่เราก็อาจจะตายได้ในเวลาลมหายใจออกมาเข้าไปใหม่ออกมาใหม่คุณนึกอย่างนั้นจเจริญ อ, อย่างนั้นเรียกว่ามาลนังเมภาวิสติมรนะมละนังก็ความตาย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 นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานเสร็จเรียบร้อยแล้วและกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปท่อมทังบาทาสนาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ไม่ได้ประมาท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 ทำจิตใจให้หลุดพ้นออกจากกิเลสลาคะโทสะโมหะเอาจิตใจไปสู่นิพพานเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายบุญวายตามกิเลส <c oughs> ฉะนั้นเราต้องพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นความเนพนภาวนาจะได้นิ่งนิ่งนอนนอนอยู่เลย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 กเลสความโกรธอันมีอยู่ในใจมากน้อยเท่าไรก็ให้เลิกละทิ้งตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอย่ายึดหน้าถือตาอย่ายึดตัวถือตนอย่ายึดเรายึดของของเราในโลกนี้ไม่มีของใครเป็นของบุคคลผู้นั้นเราเกิดมาแล้วความแก่ความชรามัน เล่งลัดพัฒนางานความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูจะไม่มีเวลาวันว่างความตายก็ขยับเข้ามาใกล้เข้ามาแม้มันยังไม่ตายมันก็เตรียมตายอยู่ตลอดเวลายังไม่แกช่ชรามันก็เตรียมแก่ชราเรื่อยไปลุกล่นเข้ามาโดยลำดับ เอานั้นผู้ปฏิบัติธรรมยาได้นิ่งนอนใจจงทำความเพียรเพ่งอยู่ในมรณะกรรมฐานอันพระองค์จัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าและออกเมื่อผู้ใดจดจมคำนี้ได้ดีก็ให้รีบเล่งเอาไปฝึกสอนตัวเอง อย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะกลับมาสอนเราไมมล่ะ